ในบางคละสูตรท่านสอนให้ควบบัณฑิตเนี่ยนะครบคุณทานคุณทานคือหัวใจจะของทานนั่นเองเป็นอันดับแรกคุณทานภายนอกทานภายในแลรกมันก็เป็นคนทานอยู่ภายในใจตัวเองมันคอย่านอยู่เรื่อยยุ่งเรื่อยเวลาไปอยู่กับครูกับอาจารย์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 มีแต่แน่วลงแน่วลงให้เป็นที่แน่ใจเพราะเอาความจริงมาพูดล้วนๆซึ่งถอดมาจากจิตใจที่เคยได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วรายไหนอ่อนแอแล้วท่านขู่ไวแล้วไข่อ่อนแอไครร่องครางอืออแล้วเอานั่นนะเป็นโกศสป็น่ะ ไม่ต้องหาอยุดหายาไม่ต้องมีใครดูแลรักษานะข้างเอืออ า, านเป็นโอสซนแล้วอัน ห, ห, หรับคนนั้นว่าการร้องการคลางมันเป็นประโยชน์จริงๆนะเราจะหาอยุดหายาทํำไมอันนัเนี่ยเวลาท่านย้อนกลับใหม่ก็ร้องคลางเขาสิใครร้องคลางก็ได้นี่เด็กร้องก็ยังได้มัน เ, เป็นประโยชน์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 รักษ า, าตัวไม่ได้ไม่จะล้มดะเนระนาดไปเลยท่านอาจารย์มันท่านเทศสอนปกอุกปิดปุกใจนี่เก่งมากทีเดียวทีนี้เราพูดตั้งบรรดาลูกศิษย์ลหาที่ไปด้วยความตั้งใจไปศึกสาวลมจากท่านฟังอะไรมันก็ถึงใจถึงใจถึงใจสิ่งที่ควรจะปฏิบัติก็ต่อปฏิบัติไปเลยสิ่งที่ควรเข้าใจในขณะนั้นก็เข้าใจ ไปเรื่องเป็นเรื่องภายในเข้าใจไปโดยลําดับเชนอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านสอนวิธีพิจารณาอ้าเวลามันเป็นไข้มันเอาไข่ามาจากไหนท่นว่าที่ท่านสอนให้เป็นประโยชนสําหรับผู้ปฏิบัติมันไปนหอบไข่หอบหนาวมาจากไหนมันก็มีขึ้นมานเกิดขึ้นในกายเรามีใค่เหล อ, อเวลาหายมันจะไปหายที่ไหน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 มันเจ็บที่ตรงนั้นปวดที่ตรงนี้เน่ะอะไรเป็นผู้เจ็บอะไรเป็นผู้ปวดค้นเข้าไปให้เห็นต้นเหตุมันสิมันปวดที่ตรงไหนเจ็บที่ตรงไหนอะไรเป็นสาเหตุที่มันเจ็บมันปวดใครเป็นผู้ไปสําคัญมั่นหมายมเวลาตายแล้วพอไปเผาไฟมันเจ็บมันปวดไหมใครมันผูดหลอกลวงตัวเองด้วยเจ็บนั่นปวดนี่พิจารณาไปเห็นต้นเหตุของมันสิถ้าเป็นนักปฏิบัติมารู้ต้นเหตุ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 จับปุ๊บ๊บปุปเวลาไปอยู่ในสถานที่ใดก็เหมือนกับท่านแสดงกลงวานอยู่ในหัวใจโอ ว, ว่าห้องท่านจําได้ทุกแน่ทุกกระทงที่สำคัญสาคัญทหับที่จะมาเป็นเครื่องมือเราในการปฏิบัติซึ่งอยู่ในสถานที่สำคัญสาคัญเช่นนั้นก็หนึ่งว่าท่านมาอยู่ที่หัวใจเราเลย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 ศาสนาแล้วไม่มีอะไรที่จะเทียบถั่หาที่แย้งไม่มีถ้าเราดําเนินตามหลักศาสนาแล้วไอเรือนจําตารางตะเลงเหล่านี้ไม่ต้องมีมีทําไมขอไม่มีใครจะไปทําผิดมองเห็นตามเหตุตามผลยอมรับความผิดถูกชั่วดีของกันและกันเล้วมันก็อยู่ได้กันได้สำหรับคนเราคนเนอคนนี้ไม่ยอม ผิดก็ไม่ยอมรับบอกผิดเห็นตัวอยู่ก็ยังไม่ยอมรับติดทุกข์ติดตลาแล้วไปถามยังวะข้องหาว่าขโมยนั่นขโมยนี้ไปซะอีกทั้งๆที่เราขโมยคือความไม่ยอมรับตามเหตุผลตามความจริงนั่นเองแล้วภายในจิตใจก็เหมือนกันไม่ยอมรับถ้ามันถึงได้รับความทุกข์ความลาําบากแต่ยอมรับตามหลักความจริงแล้วจริงที่แสดงขึ้นเป็นหลักความจริงทั้งนั้น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 เกิสรรพันธ์ดอขึ้นมาว่าเราดีเราเก่งเราสามารถเราเป็นเสือทั้งอันรูชื่อทั้งคนน่ะเนี่ยมันไปอย่างนั้นเสีะะยะพราะนการคบค้าสมาคมกับครูกับอาจารย์กับบัณฑิตนักปราชญ์เป็นความต้องการสำหรับผู้หวังดีหวังความสุขความเจริญโดยลําดับสำหรับตัวเองเพราะท่านสอนทุกวันอบรมทุกวันปิยามายาของท่านที่ เราได้เห็นทุกวันทุกวันนั้นเป็นเครื่องซูมทราบหรือบำรุงจิตใจของเราไปโดยลำดับไดะยึดเป็นคติเรืเ่อยๆเรื่อยๆท่านพูดออกมาในแง่ในเป็นอัดเป็นทำทั้งนั้นท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ยิ่งอย่างที่ท่านจันมั่นเป็นความแน่ใจอ ท, ท่านสิ้นกิเลสบางอัดบางทำของท่านมันหายสงสัยโดยท่านไม่ได้บอกว่าท่านชิน้นท่านไม่ได้บอกท่านเป็นพออาาระอาหารอาหัดอรหัดอรหันอะไรเลยแต่ความจริงบอกอยู่ต้งโต้งตงนี่ เราหาความจริงทําไมจะไม่เชื่อความจริงท่า น, นการพิจารณาถึงเรื่องทุกขเวทนานี่จึงเป็นเรื่องสําคัญก็ได้อุบาสมาจากท่านการมั่นท่านเอาจริงเอาจังเวลาเจ็บภายในป่วยมากๆขนาด้าผู้ปฏิบัติอยู่ในวัดทันแล้วบางทีท่านเดินไปเองพิจรารณายัางไงนท่านก็ย้ําลงไปเลย ไปคนลงตรงนี้อมันทุกข์ที่ตรงไหนให้เห็นความจริงของทุกข์แล้วก็สอนวิธีพีจะหน า, าอย่าไปถอยะความถอยนั่นแหละคือความเพิ่มทุกข์ทันว่างนั้นนะความเป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะได้ชัยชนะคือรู้เท่าทันกับทุกขเวทนา ซึ่งเราถือว่าเป็นค่าศึกต่อเราความจริงเยทนานั้นไม่ได้เป็นค่าศึกต่อผู้ใดในความรู้สิงของไม่มีอย่างนั้นเป็นความจริงหนึ่งเท่านั้นนะท่านสอนให้พิจนารณาลงไปทุกมากทุกน้อยเราไม่ต้องไปคิดไปคาดความหายของมันขอให้ทราบความจริงของมันด้วยปัญญาของเราแล้วใ จ, จเราจะไม่โกหกจะขอท่านว่าใจเราเนี่ยแต่โกหกเพราะผู้ที่โกหกมีอยู่กับใจ มันก็พาใจให้ไปโกหกความโกหกกับความโง่มันก็เชื่อกันได้ง่ายทรรมหลาอย่างนั้นถูกต้องความโกหกกับกับคนโง่คนฉลาดกับคนโง่มันก็หลอกกันได้ง่ายความหลาดของยิเหล็กกับความโง่ของเรามันจะเข้ากันได้ง่ายทำท่านถึงแยกแยะให้พิจารณา จนถึงความจริงแล้วเชื่อด้วยความจริงนั่นแหละเป็นการได้ชัยชนะไปดูลำหดับลำหนับเอาแยกแยกให้มันเห็นทุกข์้นทุกอันอย่าแยกจิตหนีไปไหนอทุกมากทุกน้อยให้อยู่ที่ตรงนั้นนะพิจารณาอยู่ที่ตรงนั้นถ้าจะจ้องก็จ้องอยู่ที่ตรงนั้นถ้าพิจารณาสาเหตุของมันมันเป็นมาจากไหนก็นให้ค้นลงไปคําว่าทุกข์มันมีอาศัอาายอะไรเป็นที่ตั้งน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 พอมันทราบตอนนี้ทุกก็ระนังับลงไปะน้งดาบนั้นประการหนึ่งพอทราบเช่นนี้ทุกก็จริงใจก็ไม่ไปยึดถึงทุกจะไม่เกิดก็ถึงทุกจะไม่ดาบก็าตามเรื่องจิตก็เป็นจิตไม่สืบต่อกันด้วยอุปทานรู้ต่างอันต่างจริงนี่เรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวมีความรื่นเริงมีความสุขอยู่ภายในตัวในท่ามกลางแห่งความทุกแห่งขันนี่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 ถอยกันไปถอยกันมาอย่างนี้เพื่อทดสอบทางสติปัญญาของเราเมื่อหลายครั้งหลายหายเข้าใจก็ซูมทราบซึ้งลงไปโดยลําดับลำดับทีนี่แยกกันได้ด้วยอำนาจของปัญญา <c oughs> แต่สมมุติว่าถึงคราจะแตกจะหนับจริงๆก็ <c oughs> ต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> และไม่ต้องกลัวว่าทุกข์เราจะล่มจมให้ไหนในเมื่อมีสติมีปัญญาพขีรณายอยู่่กับทุกขเวทนาอยู่แล้ว คือจิตเราอยู่กับสัจธรรมอยู่กับหินรับปัญญาปัญญาจะคงตั้งจิตเราจะผ่องใสเป็นดำดำดำเพราะเรื่องของปัญญาเป็นสําคัญนถ่านดับในะขณะนั้นนันก็มีปัญหาอะไรไม่มีทางล่มจงประการหนึ่งถ้าลงมืสติปัญญาต่อสู้อยู่กับทุกขเวทนาอย่างไม่ถอยหลังแล้วขณะมันจะดับจรจริงมันก็จะทราบว่าทุกขเวทนานี้จะระงับดับไป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 แล้วจิตถอนตัวออกจากนั่นมาสู่ความเป็นจิตเรียกว่าเป็นตัวของตัวแล้วก็ผ่านกันไปอันนี้เรียกว่าสูงละเอียดอันนี้อั่นก็ไปผ่านไปจากนั้นแต่แล้วจะไปไหนก็ไปที่ทุกเวทนาเป็นของเกิดของดับเราจะหาตามมันที่ไหนมันเกิดมันกระดับของมันไปเรื่อยเนี่ยอะไรอะไรที่เราสทราบชัดเจนแล้วปล่อยมันไปทั้งแต่ร่างกายทนยไหวยังปล่อย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 แใ่ขณะที่จะแตกกระดับเราไม่ถอยเป็นยังไงเป็นกันขอให้รู้ให้เข้าใจกับเรื่องนี้เท่านั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าการพิจารณาทุกเวทนาวุ่นวายนี้แล้วเวลาตายแล้วติดมันกําลังวุ่นอยู่นี่มันจะไปไปทุกข์หรือจะไปที่ไหนวุ่นก็วุ่นกั บ, บกงานอันดีอันชอบนี่วุ่นด้วยทั้งรู้นุ่นไม่ใช่วุ่นด้วยความหลงนี่เราจ้องเราพิจารณาเราค้นเอกคว้าอย่างนั้นฮเวลามันจะดีเป ด, ดีเวลาจะไปจริงมันรู้นี่ผู้มีสติอินมันถอยฟ้าบเข้ามาทันที ปล่อยนั้นทันทีแล้วถอยภาพเข้ามาสู่ตัวของตัวเป็นตัวของตัวคือจิตต้นล้วนแล้วผ่านเลยนี่เรียกว่าสุขโตเต็มภูมิของผู้ปฏิบัติน่าจะไม่สิ้นที่เด็ดก็ต่างก็จะแบบเต็มเต็มก็มีกําลังเต็มตัวเต็มภูมิการพิจารณาติดต่ภาวนาจึงเป็นเรื่องสําคัญมากและพึ่งเป็นพึ่งตากนันได้จริงๆไม่ต้องหวังพึ่งทายทั้งนั้นเป็นที่แน่ใจทางตัวเอง สติปัญญากําลังผิดท่องเรามันรู้ภายในตัวไม่ต้องประาทานไข่เห็นชัดทันยังถ้าหากว่าเราสามารถพิจารณาจนกระทั่งมันขาดได้ในขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขาดได้เลยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเราจะไปคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นคารว่าเราไม่สามารถที่จะทําพระนิพพานให้แจ้งอันนั้นเป็นความสาคัญผิดท่องเราซึ่งเป็นเรื่องของเรียนหลอกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกัน ทำมันเป็นของจริงเสมอกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนวันนักบวชและคารวะสติปัญญามีได้ด้วยกันแก้กิเลียดได้ด้วยกันอเมื่อพอจะแก้กิเลียดได้ด้วยอุบายใดวิธีใดของหญิงใดชายใดคารวะไดพระองค์หดก็ตามสามารถแก้ได้ทั้งนั้นและพ้นผูกไปได้ด้วยกันเราไม่เราไม่ต้องไปคาดหมายเสียเวลาว่าเรามีอํานาจวัสนาเนาะอย่าไปคิดอืเรากําลังสร้างอันนี้มากหรือน้อยก็เห็นอยู่กับกิตนี่แหละที่จะนามมันโง่ที่ตรงไหนพยายาม สังสมความตลาดขึ้นมานี่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมของพุทธะแท้ถ้าเรามาตำหนิติดต้นมา่าอยู่ในชั้นนั้นชั้นนี้หรือไปที่ไหนคนนั้นแซงเราคนนี้แซงเราเน่ยมันเราสําคัญในต่างหากแล้วก่อทุกให้เราเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองนั่นหาอุบายฆ่าตัวเองมดยม่รู้สึกตัวนะอาจจะไปคิดอย่างนั้นวาสนาเต็มตัวทุกคนทําไมจะไม่เต็มตัวเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักบําเพ็ญอยู่ด้วยกันฮวาสนาไม่ใช่เป็นของ อ, ออกมาตลาดร้านค้าพอจะ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 นี่เราเป็นนักบวชว่าเราไม่เราไม่ได้เป็นนักบวชเราอยู่คารวาสอันนั้นเป็นความหมายอยาื่นต่างหาส่วนความที่ถูกต้องจริงๆแล้วเราทําความเพียรนะด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อจะแก้กิเลสเช่นเดียวกับ พ, พ, พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดถึงนักบวชท่านเนี่ยทาเป็นทําเหมือนกันหมดผู้หญิงก็ก็มีราชติปัญญาเพราะผู้หญิงผู้ชายมีทิเลสด้วยกันการแก้กิเลสแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญา มีความเพียงเป็นเรื่องหนุนและกิเลสไม่อยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ใจด้วยกันเมื่อสติปัญญาทานกันเมื่ อ, อไหรแล้วเป็นผ่านมาได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีปัญหาไม่จะต้องเป็นนัก บ, บวชนี่คือความจริงแห่งสั จ, จะทําที่ไม่เลือกชาตุชั้นวรรณะบรรดาที่เป็นมนุษย์แล้วไม่เลือกเพศหญิงเพศชายห้อยบำเพ็ญเพราะทำเป็นกลางกลางฟังได้เข้าใจได้ด้วยการท่านหญิงทั้งชายท่านนัก บ, บวชและฆราวาสปฏิบัติได้ แก้กิเลสได้กิเลสก็ไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่กิเลสเดียกันทั้งนั้นแม้แต่พระเป็นนักบวชมันก็มีกิเลสจะว่างไงท่านจะต้องแก้ของท่านท่านไม่แก้ก็นอนจมลุ่มกิเลสเช่นเดียวกับคนทั่วๆไปนั่นแหละหรือยิ่งมากกว่านั้นก็ได้ไม่สําคัญกับคําว่าเป็นนักบวชมันสําคัญที่การแก้กิเลสด้วยความภาคเทียนนี่เป็นสิ่งสําคัญมากเราจะต้องสนใจในจุดนี้เนี่ยแล้วความพ้นทุกพ้นที่ไหนพ้นที่มีทุกนั่นแหละแก้ทุกได้แลว้วก็พ้นทุกถ้าแก้ไมได้จ้นนนนจในในนนหกกมออยใทุวั นี่ศาสนาอยู่ที่จิตถ้าทําให้อาภาพัพอาภาพได้อยู่ที่จิตั้งเรานนเน่ะจะเป็นนัก บ, บวชฆราวาสมันอาภาพได้ทั้งนั้นจะทําให้วาสนาหรือศาสนารุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจก็ทําได้ศาสนาจเจริญเจริญที่ไหนเจริญที่ใจไม่เจริญที่อื่นสําคัญที่ใจสําคัญที่การปฏิบัติของคนเราปิยามายาการประพฤต์แสดงออกก็เมื่อใจมันเจริญนั้นมันเจริญทั้งนั้นแหละปิยามายาที่แสดงออกสวยงามน่าดูน่าชมแต่เพื่อย่างยิ่งใจ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 ที่เรศ จ, จะเคยอยู่ใ น, ฤฤฤฤในจิตใจเรามาตั้งขับตั้งกานก็เช่นเดียวกับความมืดที่เคยมีอยู่นั่นแหละพอตามภายขึ้นมามันก็สว่างจ้ามีตามปัญญาขึ้นมาภายในจิตมันก็สว่างจ้าด้วยกันทั้งนั้นนี่มีเท่านี้เป็นจุดสําคัญที่เราจะต้องพิจารณาหาให้เห็นศาสนาอัศจารย์อัจฉัิยที่ไหนศาสนาเจริญเจริญที่ไหนแล้ยินดีท่านหนพ้นทุกทุกทุกท้นที่ไหนมีอยู่ที่ใจนี่เท่านั้น ขยายออกมาก็สัจธรรมทุกสมุทัยนิโรธมากทุกเราก็ทราบว่าทุกเพราะเราไม่ใช่คนตายสมุทัยคือสิ่งที่จะเสริมส่งเสริมทุกให้เกิดเลือดเป็นเครื่องผิดทุกให้เกิดมีอะไรบ้างท่านกล่าวว่านั้นที่ราคาสหัคตาตตะตรายพัมีเซอรที่ดำคำกลกามตนะพระวัฒนาวิภวะตันหาเป็นต้นเน่เราก็ทราบอะไรที่มันรักมันใคร่รักคข้ในสิ่งใดบ้างเราก็พยายามแก้ไขมันรักไข้ใน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 อะไรที่รู้ผู้รู้นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์นี่นอกจากสัจธรรมไปคืออันนี้ชาญะนั่นสัจธรรมนั่นเป็นกิริยาเป็นอาการเป็นสมมตินีโรดก็เป็นสมมตุติต้องเป็นกิริยาที่ดับเพบหนึ่งนั่นเป็นกิริยาสมมติความดับไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเหลือที่จะให้ดับแล้วเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นไม่ใช่สัจธรรม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 แล้วก็เป็นสารโลกผู้หนึ่งและอยู่ในข่ายแห่งโอวาทธรรมสองฤาษีเจ้าอยู่ในข่ายแห่งความพุทธบริษัทอเป็นผู้มีสิทธิด้วยกันในการพุทปฏิบัติการตัดถอนกิเลสให้พ้นจากทุกในบริษัทสิน่นี้มีสิทธิด้วยกันทั้งนั้นที่จะทําตนให้แจ้งถึงพรนิพพานได้คอขยพินิพิจนานะทําความกล้าหาญต่อสู้กับสิ่งที่ควรต่อสู้ภายในจิตใจของตนสรงสมความกล้าหาญสรงสมส ต, ติปัญญาขึ้นให้เพียงพอ อุาอุบายคิดค้นต่างๆให้เกิดขึ้นจากตัวเองด้วยคิดคนเองนั่นแหละเป็นที่ชอบทำเป็นสมบัติของตนแท้ครูบาอาจารย์ท่านหยิบยื่นให้เป็นที่เป็นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากพอเป็นเงื่อนหรือพอเป็นเชื้อที่เราจะนําไปพิณีพิจนาให้แตกแขนงกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมาถ้าอันใดที่เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาด้วยอุบายของเรานั้นกินไม่หมดมันหาคิดหาคนไป 108, 000, ร้อยแปดประการเพื่อถอดถอนกิเลสในแง่ต่างๆเอาจนทั่งกิเลสหลุดลอย ม, มีเหลือเพราะอุบายของเราเองทั้งนั้น โดยที่อาศัยครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้เป็นต้นทุนนี่แหละเป็นธรรมของเราแท้เกิดขึ้นมากน้อยเป็นธรรมของเราทั้งหมดที่นนี่เป็นสมบัติของเราแท้แเราเรียนจากครูจากจากตำหนัดตําราก็เป็นของพระเจ้าหยิบยืมท่านมาจากครูจากอาจารย์ก็หยิบยืมท่านมาเว้นแต่ว่าจริงแนะที่เวลาท่านแสดงมันเข้าใจในขณะนั้นแก้กิเลสในขณะนั้นก็เป็นสมบัติของเราขึ้นมาในขณะที่ฟังนอกจากนั้นเราก็แยกไปจากอาอุบายขงท่านละไป พิจารณาแค่ควรแตกขแขนงออกขึ้นด้วยอุบายของเราเองเป็นสม บ, บัติของเราทั้งฝ่ายเหตุคือการพิพจารณาทั้งฝ่ายผลคือที่เราได้รับเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นั้นเป็นผลของเราล้วนๆนีอยู่กับเราไม่มีผู้ใดมาแบ่งสันปันส่วนเอาได้เลยนี่แหละความเลิดเลิดขึ้นที่นี่ไม่เลิดที่ไหนแหละนั่นจึงพยายามหาความเลิดความรู้สึซึ่งมีอยู่ในตัวของเราความรู้นี่แหละ ไม่ใช่อื่นใดที่จะเป็นความเลื่ความสระเสือกแต่เวลานี้มันถูกสิ่งโตกระโปรงโสม ม, มมหาคุณค่ามาได้มันตกคุมมุ่งห่ออยู่จรงกลายเด็นของไม่มีคุณค่ามีราคาไปก็คือใจนี้แหละเวลานี้เรากำลังลำซำรอกปอกนมงนดูเดินโดยลำดับเมื่อปอให้เต็มที่แล้วมันก็เป็นความเลื่อขึ้นมาเลิ่ที่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วพอถึงเมืองพอเอาละยุติเพียงเท่านี้เมืองพอแล้ว